เป็นนั้นว่าเรื่องของท่านพระโชติกาเถระ <c oughs> จะขอกล่าวต่อเมื่อคืนนี้เลยทีเดียวเพราะว่าคืนย้อนหน้าย้อนหลังก็ขืนว่าจะไม่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นนั้นว่าต่อเมื่อคืนนั่นก็รับท่านกล่าวว่าบรรดาขุมทรัพย์ทั้งหลายคุมทรัพย์ขุมหนึ่งได้มีประมาณหนึงน่งยอ มีคขุมหนึ่งมีประมาณสามคาวุธิขุมหนึ่งมีประมาณกึ่งโยต์ได้ข <c oughs> ุมหนึ่งได้มีประมาณหนึ่งคาวุธที่สุมประตูทั้งเจ็ดซุ้มซึงกล่าวว่ามียักษ์เจ็ดคนยืนรักษาประตูแล้วในซุ้มประตูที่หนึ่งยักษ์ชื่อว่ายมมโมลี เราไม่ได้ยักษ์ที่เป็นบริวารหนึ่งพันคนยึดรักษาประตูไว้แล้วทําการรักษาประตูไว้ที่ซุมประตูที่สองยักษ์ที่ว่าอุปาละเราไม่ได้ยักษ์ที่เป็นบริวารทั้งตนสองพันคนทําการรักษาประตูอยู่แล้สุ้มประตูที่สามยักษ์ที่ว่าวชิระ พร้อมไม่ได้บริวารของตนสามพันรักษาประตูอยู่สมประตูที่สี่ยักษเชียวว่าวชิระพาหุพร้อมได้ยักษที่เป็นบริวารสี่พันคนแรักษาประตูอยู่สําหรับสมประตูที่ห้ายักเชื่อว่าสกตะพร้รอมได้ยักษที่เป็นบริวารห้าพันคนรักษาอยู่ สำหรับสมบตูตบ ท, บที่หกยักชี้ว่าเสกตัถะพราะไม่ได้ยักษที่เป็นบริวารหกพันคนรักษาอยู่แล้วก็สําหรับสมบตูที่เจ็ดยักชื่อว่าที่สาบุะพร้อมบริยักษ์ที่เป็นบริวารเจ็ดพันคนรักษาอยู่ือว่ารักษาทั้งภายในและภายนอกแข่งบริษัทได้มีการรักษาแั่นคงแล้วด้วยปอาการดังนี้ ตามดําบาลีแต่งกล่าวว่าพระราชาทรงพระนามวาา่าพระเจ้าพิมิสารได้ยินข่าวมาว่าพระสาเจ ช, ชันซึ่งเป็งสมเด็จเร็นริแลบบริแก้วทั้งเจ็ดประ ก, การน <c oughs> ี่เป็นอมุภาพที่เขาถวายวิหารและก็มีกแ ก, วก้วเจ็ดประการเป็นทานแก่สาธารณชน ในลาที่บรรดาประชาชนจะสร้างบ้านให้เขาก็อิเห็นว่าไม่สมควรยังไม่มาบรรดาลให้เกิดประสาทเจ็ดชั้นพร้อมไปได้แจ้งเจ็ดรายการแล้วก็มียักษ์คำว่ายักษ์ในที่นี้ไม่ใช่ยักษ์ในเรื่องรามเกียรติยักษ์แปลว่าเทวดาหรือว่ายักษ์ประเภทนี้แปลว่าเป็นผู้บุกอันบุคคลคนรจะควรจะบูชา ที่ฉัในขึ้นนี้ก็ได้อนุภาพแห่งความดีของเขาในสมัยก่อนโน้นได้ไปสาธายประสาทคือวิหารแก่งองสมเด็จพระสัมมาสมัาสมพุทธเจ้าเป็นสำคัญเมื่อพระเจ้าพิมีสารทรงทราบว่ามีประสาทเจ็ดชั้นซึ่งสำเร็จไปแล้วไม่ได้แก้วเจตการพปดเพลนแล้วเพื่อโชติกา มีกำแพงเจ็ดท่านมีซุ้มเจ็ดซุ้มมีคุม้มทรั์สี่คุ้มรัพย์ฝุดขึ้นแล้วเ <c oughs> พื่อไว้ชดท่านชดที่กระเหมือนกันไม่เดือดลึมในครับเพราะว่าในสมัยก่อนโน้นที่เขานำแก้วมณีไปถไวายองค์สมเด็จตั้งสมาสัพพุทธเจ้าไวา้แล้วก็มีพระมิชฉาทิถิข โ, โมยไปเขาจึงตั้งใจดิฐานว่าต่อไป ขอสิ่งหนึ่งสิ่งใดทั้งหมดที่ก็ปปเจ้ามีอยู่คนทั้งหลายจงหยาบสามารถนำไปได้่อไม่มีใครรักไม่มีสะสมวยไฟไม่ไหม้น้ำไม่ท่วมลมไม่พัดไม่ทำอันตรายกับทรัพย์สินของเขาที่เป็นขึ้นดังนี้กับพระอานาจอธิษฐานและบารมีเป็นสำคัญดัง น, นการบำเพ็ญกุศลของบรรดาทุกท่าน เมื่อทำแล้วจงอย่าทิ้งอธิษฐานะบารมีแต่การอธิทฐานนี้ก็มีความสำคัญอย่างท่านหนึ่งบอกว่าเมื่อทำบุญนี้แล้วทำใดที่พระพูดเป็นเจ้าเห็นแล้วขอเราจะเห็นธรรมนั้นเลยเกิดให้เกิดเิวดาชาติเดียวเกิดเป็นคนแล้วก็เป็นพระอรหันต์สำหรับท่านนี้ต้องการท่องเที่ยวไปเป็นเทวดาแล้วก็เป็นมนุษย์แล้วก็เป็นพระอรหันต์ เราฟังเรื่องราวของท่านต่อไปราชาได้ทรงทรงชัดตําแหน่งเขามหาเศรษฐีสมัยนั้นคนที่จะเป็นมหาเศรษฐีพระราชาต้องแต่งตั้งให้ทรงไปให้แล้วเขาได้เป็นผู้ชี้ว่าโชติกะเศรษฐีแล้วก็มีบรรดาหญิงผู้เป็นมีบุญอันกระทำไว้แล้วกับเขา ในใช่ก่อนนั้นได้เกิดขึ้นในอุรุอุตรากรุทวีปสำหรับอุตรากรุทวีปนี้เป็นทวีปที่มีความอุ ด, ดมสมบูรณ์ผิดปกติมือเป็นทวีปที่มีความสวยสดงดงามมีความเจริญรุ่งเรืองในเขตนั้นเขาไม่ใช่ไฟต้มหุงข้าว เราใช้แก้วมณนีแสงสว่างทั้งหมดก็ใช้เดิมหน่าของแก้วมันีฉะนั้นในดินแดนนี้จริงไม่รู้จักคําว่าไฟและคนทุกคนก็มีแก้วมันีติดกายทาให้แสงสว่างมันเกิดขึ้น <c oughs> จะมองดูใครก็ตามมีแต่ความสวยสดงดงามด้วยกันทั้งหมดอยากจคุยเรื่องกุล อยากจะคุยเรื่องอุตรคกรุทวีปให้ฟังก็เกรงว่าเรื่อ ง, งนี้จะยาวเกินไปขอยับยังไม่จะเพียงชค่ น, นี้เว้นว่าตามพระบาลีว่าครั้งนัน้นเทวดานํานางมาจากอุตรคุรุทวีปกันแล้วคําว่าอุตรคกรุทวีปนี้อยู่คนละโลกกับโลกของเราแต่ว่าอยูย่ในเขตของจักรวาลมนุษย์ อย่าคุยมากเลยนะครับเรื่องนี้มันไม่ต้องจบกันละก็ติดอยู่แค่อุตรคุรุโตวิปกัจเจกกระทั้นนะั่นแหละเล่าเรื่องของท่านต่อไปไอคนอย่างผมในเรื่องมันมากใน้เทว ด, ดาได้นำนางมาแล้วก็ให้นั่งอยู่ในห้องอันเป็นสริริคือเป็นมงคลห้องดีสวยงามมากนางนั้นเมื่อมาก็ถือเอาท่านานนเข้าสารท่านนนหนึ่ง และแผ่นศิลาอันลุกโลงสามแผ่นแผ่นหินอันลุกโลงนี่มันจะมีไม่มีเปลวไฟมันเป็นแสงออกมาแล้วสําหรับอาหารโชนดาวสองนั้นได้มีแล้วได <c oughs> ้บอกว่าอาหารสําหรับจะกินก็ปลากดขึ้นในทนายเขาสาร น, นั่นแหละตลอดชีวิตเป็นนั้นว่าไม่ต้องทํามาหา ก, กินอะไรอย่างอื่น เมื่อเวลาที่ต้องการจะกินข้าวก็เกิดอาหารก็เกิดขึ้นมาในทนานอยากจะกินขนมขนมก็มีในทนานอยากจะกินอาหารประเภทไหนอาหารประเภทนั้นก็มีในทันานสงสัยจริงๆนะทนานลูกนี้จะไปเก็บไว้ที่ไหนถ้ากูเราหาได้ย่องๆไปเก็บมาไว้คุณจะสบายมาก แค่ได้ว่าอย่าลืมอาศัยอำนาจบารมีของท่านท่านจะทราบภายหลังว่าทรัพย์ทั้หลายเหล่านี้ไม่โชดิกาเศรษฐีเป็นพระรหัต์แล้วแล้วทรัพย์ทั้หลายเหล่านี้ไปที่ไหนหมดถ้าเราอยากจะได้ชาตินี้ไม่ได้เราก็ทําแบบเขาไอชาติหน้าก่อนแล้วกันก็ทําได้เหมือนกันเป็นกล่าวตามบาลีว่าดังได้สดับมา ถ้าชนเหล่านั้นเป็นผู้มีความประสงค์จะยังไม้แต่เกวียนร้อยเล่มให้เต็มไปด้วยข้าวสารมันก็จะปรากฏเป็นท่านานอันเต็มไปด้วยข้าวสารนั่นเองในเวลาที่หงหาอาหารพวกเขาก็ใส่ข้าวสารลงผนิมอแล้วก็วางไว้เบื้องบนแผ่นศิลานั้นไอ้แผ่นศิลานี้ก็ได้แก่แก้ววันนี้นั่นเอง แผ่นทีลาก็ลุกโคงขึ้นขนาดนั้นนั่นเองเมื่ออาหารสุกแล้วแสงสว่างดับไปคือความร้อนสลายไปพวกเขาก็รู้ว่าอาหารนั้นสุกแล้วด้วยสัญญาณนั้นนั่นเองแม้ในเวลาที่ยากแกงของควัแกงเป็นต้นก็มีเรื่องเหมือนกันมันก็ปรากฏขึ้นแบบนั้นเพรานัว่าเขาตจ้าสอง คงต่อมาหารรันรปเรียแผ่นชิลาที่ลุกโครงด้วยการดังนี้การจริงไอ ห, หิงก่อนนี้เราได้ไ ป, ประโน์ดีเหมือนกันได้ยากจะได้อย่างเขาก็ไม่สําคัญทําแบบเขาก็ได้แต่มันจะดีอะไรจะร่ำรวยขนาดไหนจะมีของพิเศษขนาดไหนก็มีครันห้ามันเป็นทุกข์ไม่ได้เกิดประโยชน์ถ้ามันดีจริงๆท่านโชดิกาเศรษฐีก็ไม่ต้องเป็นพระราหัน นี่เป็นอนุภาพนที่สุดแห่งชีวิตของท่านท่านก็เป็นพระรอรหันต์เอาคุยเรื่องของท่านต่อไปบรรดาชนเหล่า น, นาาั้นย่อมรู้ได้การแสงสว่างคืออยู่ได้แสงสว่างเนแก้วมณีที่ไม่รู้แสงสว่างของไฟหรือประทีบเลยชาวบ้านนั้นไม่มีไม่ได้ใช้ไฟไม่ได้ใช้ไฟฟ้าไม่ได้ใช้ใต้ไม่ได้ใช้ตะเกียงไม่ได้ใช้เทียน น่ากลัว ย, ยังโมากนะถ้าใครเขาบอกว่าไฟฟ้าดับต่เกียงดับแกก็ไม่รู้จักหอกเพราะบ้านแกไม่มีไฟดามะบาลีเร้งกล่าวต่อไปว่าสมบัติขครืองช่วดีกาเศรษฐีนั้นมีมากเช่นประการดังนี้ได้ปรากฏดไวท์ทั่วจมูทเวียตัางสิน้นอันดามาหาชนทังหลายเทียมยานเป็นต้นมาเพื่อ ด, ดูทรัพย์สินของท่าน แจำรั บ, บท่านโชริกาเศรษฐีสั่งให้ฮงโตมาหารเข้าวสารที่นำมาจากอุตรอุตรุรทวีปแล้วให้แจกจ่ายแก่บคุคคลนังหลายที่มาชมบ้านชมเมืองของท่านและวด้สั่งว่าท่านทั่งหลายจงถือเอาผ้าจงถือเอาเครื่องประดับจยกต้นกันลบประพฤตทั้งหลาย ถ้าว่าต้กนกระรับประพฤตินี้ถ้าเราต้องการเพชรมินจินดาเราซอยลงมามันก็เป็นเพชรต้องการเงินทองดึงลงมามันก็เป็นเงินเป็นทองต้องการาผ้าผ่อนเพลินสบายต้องการอะไรได้ตามความประสงค์ความจริงต้นไม้อย่างนี้ก็มีสักต้นก็ดีเหมือนกันแล้วได้ชวนคนเข้ามาหาผลแจก้นไม้ต้นนี้แล้วก็ น, นอนดูให้มันสบาย ได้เวลานี้ไม่มีก็ช่างปะไร่ดังเราก็ไม่อยากจะได้อีกทั <c oughs> ้งนี้เพราะอะไรถึงม้ว่าจะมีอย่างนี้เราก็แก่ทุกวันแล้วก็ป่วยทุกวันแล้วก็ตายเสมอมันจะมีประโยชน์อะไรสําหรับทรัพย์สมัติที่เป็นปัจจัยกับขันห้าคุยต่อไปแล้วท่านก็เปิดปากคุ้มทรัพย์ที่มีประมาณหนึ่งคาวุ แล้วก็สั่งว่าบรรดาท่านทั้งหลายจนถือเอารัพ์พอกรยังอัตภาพที่สามารถจะนำไปได้เอากันแค่แบกไหวที่แบกไม่ไหวยาวไปเป็นอันว่าบรรดาประชาชนทั้งหลายในชมพูทวีปทางสิ้นถือเอารัพ์ไปปากแทงคุ้มรัพ์ก็ไม่ได้บกพร่องกระรั์มันเต็มอยู่ขนาดไหนก็เต็มอยู่ขนาดนั้น ยาปราดกฎไดยุคลงมะสันิดหนึ่งก็ไม่มีความจริงคนทรัพย์อย่างนี้ถ้าเรามีสกุมก็ดีเหมือนกันแต่ว่าประโยชน์อะไรสาหรับที่ร่างกายของเรามันจะตายถ้าคุมทรัพย์ประเภทนี้ดีจริงๆท่านโชดิกาเศรษฐีก็ไม่ต้องการความเป็นอรหรันต์ ในในที่สุดท่านต้องการไปรหัส์ก็เป็นว่าคุมทรัพย์ไม่ได้แบเสวยขื้อไม่สามารถจะทำชีวิตของเราให้หนุ่มให้สาวได้ตลอดการตลอดสมัยในที่สุดสามารถทรัพย์คุมทรัพย์ไม่สามารถจะดึงร่างกายของเราได้ละากายเราก็แก่ทุกวันทุกวันทุกวันแล้วในที่สุดเกิดตายเมาทรัพย์ไม่เป็นเรื่อง ให้กลาวต่อไปว่านั่นเป็นผลแห่งละต น, นะที่เ็าปรยลงทำให้เป็นทรายเอาแก้วเจ็ดรายการในใชิก่อนโน้นปรยลงถึงแค่เขา่าให้มันดาประชาชนนั้นหลายหยิบออกไปหยิบออกไปเมื่อหมดแล้วก็มาเทใหม่อีกเอาข้าไปหมดแล้วก็มาเทใหม่อีก อันนี้เป็นผลให้ท่านโชติกาเศรษฐีมีมหาสมบัติแห่งเพียงนี้ต <c oughs> ั่งกล่าวต่อไปอีกว่าเมื่อมหาชนต่างคนต่างถือเอาภาอรณ์เครื่องประดัตตะบต่างๆได้ทรัพย์ตามความปรารถนาประโยชชิ้นนั้นไปเจ้าพิมิตสารมีพระราชป ร, ประสงค์จะทอดเรินเน็เปรนสายก็โชติกาเศรษฐี ในเมื่อมาให้ชนมาอยู่จึงไม่ได้มีโอกาสหมายความเวลาที่ขอชาวบ้านเาม่ชมกันเต็มนะ่ะท่านเป็นพระราชาก็ไม่มีโอกาสจะเข้าไปได้ในการต่อมาเมื่อเวลาที่หมู่คนนั้นหลายน้อยลงเพราะต่างคนต่างเสียของที่ตมชอบใจไปตามความปรารถนาแล้วพระราชาจึงตรัส ก, กับบิดาของโชติกาว่า ฉันมีความประสงค์จะชมบระสาทบทของท่านมีดาคนโธริกาศนั้นได้กราบทูลว่าดีแล้วสมุทรเจ้าขาข้าแต่สมบทิเทพและก็บอกกับบุตรชายว่าพ่อพระราชามีพระราชระสง์จะทอดพระเนตรสายของเธอเขารับคำจาก บ, บิดาว่าดีแล้วละดีละคุณพอ่อขอพระองค์จงสเสด็จมาเถิด พระราชาได้เสด็จไปที่นั้นพร้อมไปได้ค่าราชบริพารเป็นนั้นมากท้าสีคือทาวผู้หญิงผู้ปัดกวาดเทียากี้ดีสุ้มประตูที่หนึ่งได้ถวายมื่นแด่พระาาราชถวายพระราชทรงอาย <c oughs> แล้วกัน <c oughs> ดันไม่อายคนรับใช้ถ้าเรอายตรงไหนนะและดูกันก่อนวนะ่าอายตรงไหน พระราชาโซ อ, อายด้วยมีความสําคัญว่าเป็นพัญญาของท่านมหาเศรษฐีเอาแล้วจิปดปโะตู <c oughs> นี่ผู้หญิงรับใช้คงจะมีเครื่องประดับมีแต่งกายสวยวสดงงามเป็นพิเศษพระราชาคิดว่าคนนี้เป็นพัญญาของท่านโชติกาเศรษฐีจึงทรงวางพระหัตถ์ลงที่แขนข้อนางพระราชาทรงมีความสําคัญว่าทาสีแม่ที่ซุนทรตู ที่เหลือทั้งหลายว่าเป็นพัญญาเขาจะมาหาเศรษฐีทั้งหมดเอาเขานั้นนี่ความจริงคนรับใช้แต่คนยาวสวยบอกไม่ถูกแต่งตัวกันตามสมบายนะเขาจะเรื่ออะไรคนไดเพว้นัว่าคนรับใช้หน้าประตูทุกทั้งเจ็ดประตูมีหลายคนใอกันเป็นผู้หญิงพระอาชาลีเหมาโมเฮปูเปตานังว่าคนทุกคนเป็นพัญญาก็ชดีกาเศรษฐีหมด สำหรับช่นโชติกาเศรษฐีมาต้อนรับ ร, ราชาถวายบังคมแล้วนี่ก็นั่งอยู่เบื้องหน้าของพระองค์กราพูลว่าข้าแต่สมุติเทพขอเชิญพระองค์เสด็จไปขา้างหน้าเถิดพระพุทธเจ้าค่ะแผ่นดินที่ประดับได้วยแก้ววันนี้ย่อมปรากฏแก่พระองค์พระราชา หมายความว่าแผ่นดินทั้งผืนที่เขาสร้างบ้านสร้างปรางสราทมันมีแก้วมณีเต็มไปหมดเป็นเหมือนกับเหวลึกตั้งร้อยชั่วคนแม่ถ้า แ, แก้วมณีเป็นใสมองไปแล้วก็เหมือนกับเป็นน้ำเหวลึกถ้าเธอก็มีความสงคัญว่าโชติการนี้ขุดบอ่อไว้เพื่อต้องการจะจับเราเอาข้อนั้นตั้งโดยดีนะ ใครอยากจะรวยแบบนี้ก็ทําตามเขามันเรื่องเล็กๆ เ, เราก็ทําได้แต่สำคัญว่าเราจะขี้เหนียวกันนั่นแหละความจริงถ้าเรายังไม่อยากก็ น, นิพพานกัน <c oughs> จอลองทําแบบโชวิติกาเศรษฐีเล่นโกโก้สุดชาติมันก็ยังจะได้นะแต่ว่าใครอยากทำก็ทําไปคนพูดไม่ทําที่เกียจแก่ที่เกียจป่วยที่เกียจตาย ตายจากชาตินี้แล้วมันจะไปไหนก็ช่างอ่ไม่อยากจะมาเกิดเป็นคนไม่อยากจะเกิดเป็นเทวดาไม่อยากจะเกิดเป็นตรหม <c oughs> ไม่เกิดซะดีกว่าไอ้เกิดใหมันยุ่งจังนี้พูดไปไอ้หวัดมันก็กินจมูกก็ฝุดฝาดฝุดฝาดฝุดฝ า, าดชาดิวขาความเกิดเป็นทุกข์ชาลาปิวขาความแก่เป็นทุกข์ไม่ได้ความเอาคุยกันต่อไป พระราชาท่านบอกว่าถ้าไม่อาจที่จ ะ, สะเสด็จพระราชาดำเนินไปได้พระเกลงไมันจะตกหลงท่านโยดีกาจึงกล่าวถึงว่าข้าแต่สมมุติเทพข้างหน้านี้ไม่ใช่บอ่อพระพุทธเจ้าข้าขอพระองค์สุนทรเสด็จไปข้างหลังข้าพระพุทธเจ้าหมายว่าตามหลังข้าพระพุทธเจ้ามาข้างหน้ามาใช่บอ่อข้าพระพุทธเจ้าอย่าเดินนําหน้าขอระองค์สเสด็จตามมาเถอดพระเจ้าข้า แล้วก็นำเสด็จพระราชาไปสาหรับพระราชาทรงเหยียบพื้นในบริเวณที่โจดิกาเหยียบแล้วก็เด็จเที่ยวทอดพระเนะประสาทตั้งแต่พื้นชั้นล่างทำใ้ไม่หยุดแค่ชั้นล่างไม่จะขึ้นชั้นบนพเพรายอยาขึ้นชั้นบนเขาบอกตั้งท่านบอกตั้งแต่พื้นชั้นล่างก็หมายถึงว่าขึ้นชั้นบนด้วย ไม่คราวนั้นพระราชกุมารสมบันามว่าชาตศัตรูลงจับองคุลีของพระราชวิดาจับนิ้วมือนะตามพ่อเข้าไปก็เด็กเทียบไปอยู่สงนิว่าโอ๋หนอคุณกระหม่อมของเราไปอันรภานที่ว่ากษัตริยีผู้ยังอยู่ปราสาทที่ทรรม่ได้แก้วเจ็ดประการนี้ได้ คนกระมอมของเรานี่เป็นถึงพระราชายังประทับอยู่ในพระราชมณลเทียนที่ทําด้วยไม้บัดนี้เราจะไป็อเราจะเป็ น, า ร, าปนราชาแล้วจกไม่ให้กับบดีผู้นี้อยู่ในประศัตรหลังนี้มีความเปี้อันดับพันข้อยชายต่อศัตรูจนะเริ่มตั้งแต่เป็นเด็ก <c oughs> อีชายที่ว่าพ่อเป็นพระเจ้าแผ่นดิน ยังมีที่อยู่ทาด้วยไม้แต่ว่าคนนี้เป็นคนในขอบเขตขันไดซีมาเป็นรัศดรได้อยู่บรสษัทเพราะไม่ได้แก้วจัด ก, การคิดว่าถ้าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินมมา่อไรบริษัทหลังนี้จะเป็นของเราเจ้เราจะไม่ยอมให้เจ้าของอยู่นี่นะรุคุณ <c oughs> พอเริ่มต้นเป็นศัตรูกับความดีมาตั้งแต่เด็กนี่ที่นี่ครบเทวาทัตดันตกโลหกุมพีไม่ลงเอาเวทีกับบุญแล้วเมื่อพระราชากำลังเสด็จอยู่ที่พื้นประสาทนั่นเองเป็นเวลาสวยพรกยาหารเช้าเท้าเธอตัดเรียสมหาเศรษฐีแล้วตรวาส้ามหาเศรษฐีพวกราจะบริโภคอาหารเช้าในที่นี้ แต่มหาเศรษฐียั่งกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพข้าพระองค์ก็ทราบอยู่พระกยอาหารสำหรับสมสําหรับท่านท่านสมุติเทพข้าพระองค์เตรียมไว้แล้วแบบพูดเดี่ยวค่ะเ้าเธอทรงสงสนานคืออาบน้ำในน้ำหอมสิหกม่อแล้วปะทับบนบรรลังอันเป็นที่นั่งของิกาเศรษฐีนั่นเอง ที่เขาตกแต่งไว้เป็นมนดกเป็นที่นั่งของสมมหาเศรษฐีซึ่งทำบารีกแกวโอ้โหก็อะไรอย่างนี้นะครั้งนั้นบรรดาบุรุษทั้งหลายถวายน้ําสําหรับร่างพระพักล้างนะไม่ใช่ล้างล้างพระพักแก่เท้าเธอแล้วก็คดข้าวปลายาตดที่เปียกจากภ้าชนะทองคําที่มีค่าเดแสนหนึ่ง วางไม่ตรงพระพักพระราชทรงเริ่มสเสวยได้มีความสำคัญว่าเป็นโภชนะเยยังไงกันแน่เนี่ยแต่มหาเศรษฐีกล่าบทูลว่าข้าแต่สมุดิเทพนี่ไม่ใช่โภชนาพระพุทดธเจ้าอันนี้เป็นข้าวัตทุ ป, ปายาติเปียกแล้วกันให้โภชนะมันก็ของกิน ข้าวัะทะยาดก็กินทำไมบอกไว้สชโฟชนะแปลกพวบุรุษคดภาชนะใส่ในภาชนะทองคำาันวางไปได้แล้วบนถาดเดิมได้ยินว่าการบริโภคโภชนะคืออาหารในวันนั้นด้วยไอยอ่นที่พุ่งขึ้นจากาชนะข้าวปลายาดเสี่ยงนั้นย่อมเป็นเหตุนำมาเึ่งความสบาย พระราชามาสเสวยโภชนามีรสอร่อยก็ไม่ได้ทรงรู้จักประมาณไม่รู้จักประมาณนี้ควรจะล่อ้วเต็มที่มันน่าอร่อยดีที่บ้านไม่เคยมีเนี่ยล่อให้ถนัดลำดับนั้นธรรมหาเศรษฐีถ้าถวายบังคมกระท้าเสี่วเท่าเธอได้บริคองอัญเชีกราบทูลว่าพอทีพระพุทธเดียว่า เพียงเท่านี้พอแล้วโรงไม่ทรงปรัด ส, สามารถเพื่อจะบริโภคขยิ่งไปกว่านี้ได้แคราวนั้นพระราชาคิดในใจและตรัสถามเขาว่าข้าบรดีเธอต้องความหนักใจหรือจึงได้ทนทัดทานเราอย่างนี้ท่มหาเศรษฐีได้กล่าวทูลว่าขอนั้นหาไม่ได้ไพราเดียวขาก็าไม่ใช่กบเลืองเพราะว่าพัด เมื่อหมู่พลของข้าพระองค์แม้ทั้งหมดนี่แหละก็อันนี้แหละแกงก็อันนี้แหละแต่ถ้าว่าข้าพระองค์กลัวต่อความเสี่ยงยศพระราชาทรงถามว่านี่ฉันกินแบบนี้นะ่ะมันจะเพื่อเสี่ยงยศอะไรนี่แปลว่าข้าของเขาคนชงคนใช้เขากินแบบนี้หมดท่านเศรษฐียังกลาวทูลว่าด้วยเหตุแต่ถ้าความอุดตันทางพระบริกาย อย่าเพิงมีแก่ขา้าแก่สมุติเทพข้าพระองค์กลัวต่อคาตำหนิว่าวันนี้พระราชาสเสวอยอาหารในเริงของท่ามหาเศรษฐีเศรษฐีก็ อ, อย่าทําอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งถวายเป็นแนพรราา่พระราชาจึงไม่สบายพระราชาจึงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นท่านเจ้าหน้ามหันยกลับไปและจงนําน้ามา ในเวลาที่เสร็จเศรฐกิจปรราชาอะไรค่าราชบริพารทั้งหมดก็บริโภคพันนั่นแหละอโอ้ยเหม่บริษั่ายุ่งเมื่อกลราชาสสวยแล้ววันดาข่าราชบริพารทั้งหมดก็กินของที่พระราชาทรงเสวยเพราะนั้นว่าบ้านนี้เขาไม่ได้แยกกันพ่อบ้านแม่เรือนกินอย่างนี้คนใช้ก็กินอย่างนี้ก็ความเป็นมหาเศรษฐีของเขา อารา บ, บันดาท่านผู้บริสัทธ์ทุกท่านสัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วแสดงว่าเรื่องราวนี้ต้องหยุดตัตะเกียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจุมมีแด่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี